พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2วสองวัคที่หชื่อจุลยามะกกวัคคือวัคที่มีสูตรคู่ขนาดเล็กมีสิบสูตรพระสูตรที่ส1สอสาเลยกัสสูตรสูตรว่าด้วยปรามเครหบดีชาวบ้านสาละพระผู้มีประภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลเสด็จแวะพักณหมู่บ้านปรามชื่อสาละ พวกพรามกฤหบดีชาวบ้านสาละหรือสาเลยกับได้ยินกิตติศัพท์ก็พากันไปเฝ้ากราบทูลถามถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกตายแล้วเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกและสัตว์บางพวกตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตรัสตอบว่าพวกที่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะประพฤติอาธรรม เพราะประพฤติไม่เหมาะสมส่วนพวกที่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะประพฤติรมเพราะประพฤติสม่ำเสมอทรงขยายความแห่งคำว่าประพฤติรมประพฤติไม่สม่ำเสมอโดยแจกออกเป็นทางกายสามทางวาจาสี่ทางใจสามทุจริตสามซึ่งแจกออกเป็นสิบอย่างเรียกอากุศ ล, ลกรรมบทหรือทางแห่งอากุศล ซึ่งเป็นเหตุให้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกทรงขยายความแห่งคำว่าประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสม่าเสมอโดยแยกออกเป็นทางกายสามทางวาจาสีทางใจสาสุจริตสามซึ่งแจกออกเป็นสิบอย่างเรียกกุศ ล, ลกรรมมบทหรือทางแห่งกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ ทรงแสดงว่าผู้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสม่ำเสมอหวังจะเข้าถึงฐานะใดๆ ไ, ได้แก่กษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลครรหาบดีมหาศาลเทพชั้นจตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามะชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปารณิมิตะวะสวรตีเทพพวกอาภะมีแสงสว่างพวกปริตภะพวกอัปปมานาภะ พวกปริฏตาภะพวกอภัสระพวกปริฏตะสุภะอปประมาณสุภะพวกสุกินหกะพวกเวหภลละพวกอวิหะพวกอตตปะพวกสุทัสสะพวกสุทัสสีพวกอากานิทะกะพวกอากาศนันจายตนะพวกวิญญาณันจายตนะพวกอากินจัญญายตนะพวกเนวสัญญานาสัญญายตนะ หรือหวังทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันก็มีฐานะที่เป็นไปได้เพราะผู้นั้นประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสม่ำเสมอพรามคฤหบดีชาวบ้านสาละเริ่มใส่พระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตหมายเหตุ ในพระสูตรนี้มีปัญหาเรื่องศัพท์อยู่หลายแห่ง 1. คําคำว่าสุจริตทุจริตกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทแจกออกเป็นอะไรบ้างควรดูหนังสือนวโกวาท 2. คํคำว่ามหาศาลที่นำมาต่อท้ายกษัตริย์พรามขรหบดีความหมายว่ามีทรัพ์มาก 3. เทพชั้นจตุ ม, มหาราช ถึงชั้นปารานิมิตะวะสวัตตีรวมหกชั้นเรียกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรคือยังอยู่ในชั้นกามควรดูคำอธิบายในหนังสือธรรมวิภาคปริเฉดที่สองส่วนลำดับเทพชั้นพรมที่กล่าวถึงในที่นี้ต่างจากที่กล่าวไว้ในที่อื่นเล็กน้อยเพื่อสะดวกแก่การเทียบเคียงขอกล่าวถึงเทพชั้นพรมที่ปรากฏในคาอธิบายของอัถกถาทั่วไป คือชั้นรูปประพรมพรหมมีรูปมีส6หชั้นคือหนึ่งพรหมมะเปาริสัชชะสองพรหมมปุโรหิต 3. มหาพรหมสพวกนี้เป็นพวกได้ฌานที่หนึ่งปริฏตาพะหอัปปมานาพระหอภัสรระสามพวกนี้เป็นพวกได้ฌ า, า, า, า, า, านที่สองและที่สาม 7. ปริตสุภะ แปดอปมานสุภะ 9. สุภกินนะหะสามพวกนี้เป็นพวกได้ฌานที่สี่เวหพะละพวกนี้บำเพ็ญฌานที่ห้าฌานนี้แยกออกไปจากฌานที่สี่จัดตามวิธีของอภิธรรม 11. อสัญญีสัตว์เป็นพรหมที่มาจากพวกเดรรถีที่บำเพ็ญฌานที่ห้านั่นแหละแต่นายหรือรังเกียจจิตใจ จึงเป็นพวกมีแต่รูปไม่มีนาม 12. อวิหะ 13. อตัปะ 14. สุทัสสะส5สุทัศสี 16. อากนิถะห้าประเภทนี้เป็นชั้นสุททาวาสเป็นที่อยู่โดยเฉพาะของพระอนาคามีคือพระอริยบุคคลรองลงมาจากพระอรหรันต ส่นอรูปประพรมคือพรมไม่มีรูปสี่ชั้นคือ 1. อากาสานัญจายตนะ 2. วิญญาณัญจายตนะ 3. อากินจัญญายตนะสี่เนวสัญญานาสัญญายตนะรวมทั้งรูปประพรมและอรูปประพรมจึงเป็น21ชั้นแต่ในพระสูตรนี้คำว่าชั้นพรม อธิกถาอธิบายว่าหมายถึงพรหมสามประเภทแรกที่ได้ปฐมฌานคําว่าเทพพวกอาภะคือมีแสงสว่างอธิกถาว่าไม่ได้หมายความถึงเทพหรือพรหมพวกอื่นหากหมายถึงเทพหรือพรหมอีกสามประเภทถัดไปคือปริตตาภะอั ป, ปมานาภะอาภัสราจึงเท่ากับพวกอาภะเป็นการกล่าวรว ม, รวม ส่วนบริสตาพะถึงอภัสระเป็นการขยายความในพระสูตรนี้ไม่กล่าวถึงอสัญญีสัตว์เพราะแม้จะเป็นเทพชั้นพรมแต่ทางพระพุทธศาสนาไม่ยกย่องจึงเป็นอนุว่าเมื่ออธิบายแล้วก็เข้ากันได้กับลำดับในที่อื่นการแสดงหลักฐานเพื่อประดับความรู้ในที่นี้เพียงขั้นตำราไม่ใช่ขั้นวิจารณ์ว่ามีจริงหรือไม่ เราจะถอดความอย่างไรเราจะต้องใช้หน้ากระดาษมากและได้เขียนวิจารณ์ไว้บ้างแล้วในหนังสือเล่มอื่นเช่นคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาพระสูตรที่42เวรัญชกัดสูตรสูตรว่าด้วยพระรามคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนาราม ตรัสตอบปัญหาของพรามคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาที่มาถามเช่นเดียวกับสาเลยยกสูตรจึงตรัสตอบเช่นเดียวกับสาเลยยกสูตรผลของการแสดงธรรมพรามคฤหบดีพวกนั้นเรื่มใส่พระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิต